หลับนอนผ่อนคลายถึงเวลานอนแล้วบางคนอาจจะยังมีความคิดเรื่องเมื่อเช้านี้มารบกวนจิตใจบางคนเกิดความกังวลใจบางคนมีความกระวนกระวายใจทำให้นอนไม่หลับเพราะมีความคิดมากมายโผล่มารบกวนจิตใจในตอนนอนหากมีอาการเช่นนี้ ขอให้คุณลองทำการผ่อนคลายก่อนนอนดังนี้นอนหงายเอามือทั้งสองข้างวางเบาๆบนท้องแล้วหลับตาค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆแล้วหายใจเข้าทำอีกสองครั้ง ผ่อนลมหายใจออกเบาๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ า, า, ข, าขณะที่หายใจเข้าให้สังเกตว่าท้องของคุณพองขึ้น และขณะที่หายใจออกให้สังเกตว่าท้องของคุณยุบลงหายใจออกหายใจเข้าตามธรรมชาติไม่บังคับลมหายใจหรือตั้งใจสังเกตลมหายใจมากเกินไปเพราะการทำเช่นนั้นอาจจะทำให้คุณเกรงและอึดอัดได้ หายใจออกสบายสบายหายใจเข้าสบายสบายตอนนี้ ค่อยๆสังเกตร่างกายที่นอนอยู่ทั้งร่างกายกำลังหายใจออกท้องยุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้นคุณอาจจะสังเกตลมหายใจออกและร่างกายไปพร้อมๆกัน หรือจะสังเกตเพียงร่างกายทั้งร่างกายพองขึ้นยุบลงพองขึ้นยุบลงก็ได้ระหว่างนี้ อาจจะมีความคิดแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เจ็บปวดปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวคิดถึงเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานหรือการงานที่ยังข้างค้างอยู่ขอให้คุณเพียงรับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วกลับมารับรู้ร่างกายที่กำลังนอนหายใจอยู่ หายใจออกท้องยุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้นหายใจออกท้องยุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้น หายใจสบายๆผ่อนคลายไม่ตั้งใจสังเกตลมหายใจหรือร่างกายมากจนเกินไปหากมีความตั้งใจมากเกินไปก็ให้รับรู้ว่าตั้งใจมากไปแล้วกลับมาดูร่างกายหายใจออกท้องยุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้นหายใจออก ท้องยุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้นหายใจออกท้องยุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้นยุบลงพองขึ้นยุบลงพองขึ้น ยุบลงบางครั้งความคิดอาจจะมาในรูปแบบของความกังวลใจมาในรูปแบบของจินตนาการในรูปแบบของการตำหนิบางคนอาจจะคิดเป็นคำพูดบางคนอาจจะคิดเป็นภาพ อาจจะเป็นความคิดในอดีตหลายสัปดาห์ก่อนเป็นเรื่องเมื่อเช้านี้หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นหรืออาจจะเป็นความคิดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์ข้างหน้าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ก็ขอให้วางลงก่อนวางความคิดเหล่านั้นลงก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลานอนกลับมาที่ร่างกายหายใจออกท้องยุบลงหายใจเข้าท้องผ่องขึ้นหายใจออกท้องยุบลง หายใจเข้าท้องผ่องขึ้นยุบผ่องยุบผ่องยุบ ความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือเรื่องราวร้ายๆที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพหรือจินตนาการไม่ว่าจะเป็นคำตำหนิวิพากวิจาร์หรือคําชมเชยต่างก็เป็นแค่ความคิดเรามีหน้าที่เพียงรับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้น ไม่แต่งเติมความคิดนั้นและไม่ต่อต้านความคิดเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นเพียงแค่รับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วกลับมาสังเกตร่างกายพองขึ้นร่างกายยุบลงร่างกายพองขึ้น ยุบลงพองขึ้นยุบลงพองยุบพอง ถึงเวลานอนแล้วปล่อยเรื่องราวทั้งหลายให้เป็นไปอย่างที่ควรเป็นปล่อยความคิดทั้งหลาย ให้ผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปสังเกตร่างกายพองยุบพองยุบไปเรื่อยๆไม่ต้องใส่ใจกับเสียงรอบตัวรวมถึงเสียงนี้ด้วยปล่อยให้เสียงนี้เบาและหายไป